หรือแม้กระทั่งพวกกษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์คือถ้ากษัตริย์ก็คือทะเลาะกันวงในเนี่ยนะถ้าพระราชาก็คือเมืองกับเมืองทะเลาะกันถ้ากษัตริย์ก็เฉพาะแค่ว่าอ้าวจะเอาใครขึ้นเป็นเป็นเป็นใหญ่ดีทะเลาะกันก่อนนะนะกว่าจะได้อะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาเอามาประเคนให้กลุ่มราชรถมาเกินนี่มีไม่มากนะนะพันพวกพราหมณ์ก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ์พวกครหาบดีก็วิวาทกันกับพวกครหาบดีก็คือเศรษฐีทั้งหลายก็ทะเลาะกันอีกนั่นแหละ แ ม, ม แ, ม แ, ม แ, มแม่มารดาก็วิวาดกับบุตรแม่บุตรก็วิวาทกับมารดาแม่บิดาก็วิวาดกับบุตรแม่บุตรก็วิวาดกับบิดาพ่อกับลูกแม่กับลูกก็ทะเลาะกันอย่างนั้นแหะแม่พ <um ah> <ah si uh ี่น้องชายก็วิวาดกับพี่น้องชายพี่น้องชายก็วิวาดกันกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาทกันกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็วิวาดกันกับพี่น้องชายนะท่น ทะเลาะกันนะนะสหายก็ทะเลาะกันกับสหายเนี่ยนะทำมาหากินมาด้วยกันดีๆนะตอนหลังก็ทะเลาะกันฟ้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่นั่นแหละเพื่อนนั่นแหละพรรษั์เหล่านั้นก็ถึงการทะเลาะการแข่งแย่งกันถึงการวิวาทกันถึงการทําร้ายกันและกันแล้วก็เหมือนไก่ในสุ่มมันปีกันอยู่นั่นแหละในที่สุดก็ถูกต้มทั้งคู่นั่นแหละนะแต่ก็เชื้อดกันเฉือนกันเขามีพวกไปซื้อสุนัขกันนะ ไปแรกไปหาแลกสุนัขซื้อสุนัขมาเนี่ยนะเอามาเข้ากรงมันจะกัดกันจริงไอสุนักเหล่านั้นก็จะเอาไปฆ่าอีกนั่นแหละมันก็กัดกันสอมกันเลยนะก่อนจะถูกฆ่านั่นนะมันก็มีการทําร้ายกันแก่งแย่งกันทําลายกันอยู่นั่นแหละมุ่งประหัดประหารกันจริงจริงอะนะทุกคนมันเกิดมามันต้องตายอยู่แล้วนะแต่ก่อนจะตายมันต้องเอากันสัหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ให้เขาตายเองไม่ได้นะต้องต้องต้องไปทําร้ายเขาอะ ว่าทุกคนมันก็เกิดโรคในตัวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไอ้โรคอันนั้นเกิดจากเราเป็นสมุทฐานแม่มันพอใจเต็มที่เลยนะกลุ่มพยาบาทมันจะเป็นลักษณะนั้นก็เกิดการทําร้ายกันเกิดการแกลงแย่งกันอยู่นั่นแหละนี่การทะเลาะ ก, กันก็ใช้มือบ้างนะแต่เป็นเหตุการณ์ธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็ใช้มือมากกว่านั้นก็ใช้ก้อนดินนะ้มากกว่านั้นก็ใช้ไม้มากกว่านั้นก็ใช้ศาสตราอาวุธเนี่ยนะใช้ศาสตราอาวุธทีนี้ศาสตราอาวุธก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยอ่ะ แต่ที่มันเหมือนกันก็คือเดือดร้อนเหมือนกันหมดะนะตายเหมือนกันหมดนะนั่นก็สัตว์เหล่านั้นก็ย่อมถึงตายบ้างถึงทุกต่างตายบ้างเพราะประทุสร้ายกันคําว่าเพราะเห็นเนี่ยนะก็คือที่เราภัยทั้งหมดที่เราเห็นแล้วเพราะเห็นคมว่าภัยคือความเบียดเบียนกระทบกระทั่งอุบาทอุปสรรคเข้ามาถึง เราเนี่ยนะเพราะเห็นประสบพิจารณาเทียบเคียงทําให้แจ็บทาให้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภัยเข้ามาถึงเราแล้วเพราะเห็นเนี่ยนะอธิบายสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าภัยเข้ามาถึงเราแล้วเพราะเห็นหมูสัตว์ดิ้นรนอยู่เหมือนปลาทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในที่มีน้ําน้อยเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายทําร้ายกันและกันอนนะัใครไม่ดิ้นรนบ้างะนะนี่ ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนอนะแต่ว่าดิ้นมากดิ้นน้อยอนะก็คนละลีลานะจริงๆมันก็ทุกเหมือนกันหมดนะคนไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็ทุกร่วงหนึงอ่ะไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็เรื่องนึงอ่ะสรุปว่าที่ร่ํารวยเหมือนกันก็คือทุกเหมือนกันอย่านะทีนี้ไอ้ความทุกเหล่านั้นเนี่ยนะแต่ทุกเหมือนกันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะได้เอาสิย่นี้ทุกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งมานะ ป่วยเหมือนกันนะเขาเนี่ยมันป่วยแบบเศรษฐีป่วยใช่ไหมคนจนป่วยจริงก็ป่วยพอๆกันนั่นแหละปวดหัวเหมือนกันปวดฟันเปน้นเหมือนกันนั่นแหละพระองค์ก็แต่ความจริงว่าโลกทั้งหมดไม่เป็นแกนซารสังขารทั้งหลายหวั่นไหวตลอดที่ทั้งปวงเมื่อเราปรารถนาความเจริญเพื่อตนได้เห็นซึ่งฐานะอะไรอะไรอันไม่ถูกไม่ได้เห็นซึ่งฐานะอะไรอะไรอันไม่ถูกครอบงัน คือโลกทุกโลกเลยนะทุกภพภูมิเนี่ยไม่มีสาระเหมือนกันหมดนะนะไม่มีสาระทุกภพภูมิสังขารเนี่ยวันไหวก็คือมันไม่เที่ยงทุกภพภูมิเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยปรารถนาความเจริญเพื่อตนไม่เห็นฐานะอะไรอะไรที่ไม่ถูกครอบงำถ้าถ้าปรารถนาความสุขแก่ตัวเองจริงๆอะนะต้องการให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะไม่แย่เข้าไปตรงไหนที่ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่มีอะ นนะไม่มีถ้าปรารถนาความสุขเลยนะสมมติว่าปรารถนาความสุขเพื่อตนเลยนะแล้วก็คิดดูนะเห็ <c oughs> นบ้านทุกหลังทุกหลังเนะี่ยถ้าเราต้องไปอยู่ในทุกหลังที่เราเห็นเนะี่ยถามว่าน่าอยู่ไหมแต่ละหลังแต่ละหลังที่เราไปเห็นนะสมมติว่าอ้าว เ, าเห็นตึกหลังนี้ใหญ่มากแต่บอกคุณต้องไปรับผิดชอบคุณต้องไปอยู่หลังนี้นะแล้วคุณรับผิดชอบทั้งหมดนี้นะถามว่าดีไหมลนะ่ะไม่น่ารับสักอย่างเลยนะแต่ละแห่งลองแย่ตัวเองเข้าไปอยู่นะตำแหน่งทุกตำแหน่งดูเถอะเห็นไหม ปุกรมแย่อาตำแหน่งไหนดีมั้งมีอ้อนคือประจิตเองไม่ได้ดังรอเข้ามาเปลี่ยนอกน้ำมนน้ำมันอันาเรสารพัดเลยแป่าต้องไปรับทุกสารพัดทุกที่มีอยู่ในโลกเลยนะบ้านให่ใหญ่เนี่ยนะบ้านเจ้านาใหญ่ๆ อันอธิบายภาษาริบุตนิเทศว่าโลกทั้งหมดไม่เป็นแก่นสารนะโลกนี้ก็แบ่งตามคติหก่อนนะเช่นโลกนรกเดรชานเปรตมนุษย์เทวดานี่นะทั้งโดยคติห้าเนี่ยนะไม่มีสาระเลยนะทีนี้ถ้ากล่าวโดยสภาวะนะนรกเดรชานเปรตมนุษย์เทวดาโดยสภาวะก็คือขันธ์ธาตุอายตนะ ถ้ากล่าวโดยสภาวะเป็นอย่างนั้นโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลกนี้โลกอื่นทั้งพรหมโลกทั้งเทวโลกนี้ชื่อว่าโลกทุกภพภูมิทุกทุกอย่างอะนะที่เรียกว่าโลกคำว่าโลกเนี่ยก็ถ้าแบ่งไปเป็นตรงนี้เน้นสังขารโลกเพราะว่าสัตว์โลกนี่ก็คือการประชุมแห่งสังขารโลกนั่นแหละเรียกว่าสัตว์โลกทีนี้สัตวะโลกเนี่ย คือการประชุมแห่งสังขารโลกสังขารโลกอยู่ที่ไหนเรียกว่าโอกาสโลกนั่นแหละคำว่าสัตว์นี้มีอยู่โดยโวหารนั่นแหละก็จริงๆก็คือสังขารทั้งหลายนี่สังขารทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ i, ยเที่ยงไหมล่ะก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าโลกนรกไม่เป็นแก่นสารไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารโดยแก่นสารที่เที่ยงโดยแก่นสารที่เป็นสุขโดยแก่นสารที่เป็นอัตตา โดยความเป็นสภาพเที่ยงโดยความเป็นสภาพยั่งยืนโดยความเป็นสภาพมั่นคงโดยความเป็นสภาพไม่มีความแปรปรวนที่เราอยู่นะเราอยากให้มันไม่เที่ยงเร็วที่สุดก็คือจะเป็นนรกมั่งนาะตายเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะจะแปลกครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดๆอย่างนี้นะแต่คนทั่วไปกลับไม่เห็นครับไม่เห็นจริงๆนะครับเขาเห็นว่าเป็นของธรรมดา เมื่อร้องก็อาบน้ำํำ<ม>ไม่เห็นจะต้องมาคิดอะไรมากเลย<ม>ใช่ไหมฮะหิวก็ทานอาหาร<ม>แต่ปัญหาที่มีอยู่เท่านั้นก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรมาคิด<ม>ให้มันมากมายนะ<ม>แล้วก็ไม่เห็นครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีสาระ<ม>กับเห็นมีสาระว่าต้องแสวงเข้ามาเยอะๆมันทำไมจึงไม่ไม่เห็นอย่างนั้นก็เพราะว่าธาตุของสัตว์เนี่ยมันมีเป็นอเนกน่ะธาตุโดยเฉพาะ อากุศลธาตุนั่นแหละนี่อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้สังสมไอัธยาศัยทางทางที่จะเห็นภัยในวัฏฏะมาที่เขาไม่มีอัธยาสัยเนี่ยเพราะเขาไม่ได้คบสัตว์บุรุษนั่นแหละผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะเห็นภัยในวัฏฏะเนี่ยถ้าถ้าดูตามคมภี์ทั้งหลายคือพวกไหนคือพวกที่บูชาพระพุทธเจ้าพวกที่เคารพพระพุทธเจ้านะจิตมันจะโน้มเอียงเห็นตามพระพุทธเจ้า พวกที่นับถือผ้าละหันทั้งหลายเนี่ยใจจะโน้มเอียงไปตามผ้าละหันผ้าระหันเนี่ยคือผู้ที่เห็นโลกเนี่ยไม่เป็นสาระแล้วท่านต้องการตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นท่านก็ทํากิจเหล่านั้นอย่างอย่างเสรบจสิ้นแล้วเนี่ยนะผู้ใดก็ตามถ้านับถือบุคคลเหล่านั้นก็มีอุปนิสัยด้วยอย่างเช่นถ้านับถือพระพุทธเจ้านะก็ถือว่ามีอุปนิสัยที่จะจะเห็นภัยตามพระพุทธเจ้าอันถ้าเรานับถือผู้ใดก็มีใจโน้มเอียงที่จะไปเป็นตามแนว บุคคลนั้นส่วนบุคคลทั่วๆไปนะเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอย่างยุคนี้เขาไม่เขาไม่นับถือก็ เ, เห็นเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่นับถือพระรัตานาตรายเมื่อเขาไม่นับถือพระรัตานาตรายเนี่ยใจเขาจะไม่โน้มเอียงเพื่อที่จะเห็นภายในในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะกับยึดเป็นสิ่งที่มีสาระเขาเออก็มีแต่ว่าจะเห็นว่าเออต้องต้องต้องทุกอย่างมันเป็นสาระหมด มั้งแสวงหาทั้งชื่อทั้งเสียงต้องไปถึงเป้าหมายนั้นไปจุดหมายอันนั้นจะต้องตั้งตั้งชีวิตไว้ให้มันอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะโดนโดนไม่รู้เลยเพราว่ามันเป็นทุกมันเป็นทั่วเป็นภัยนะคือเขามองเขาเลยอ่ะเขามองชีวิตแค่ชาตินี่นะํานวณว่าประโยชน์เขาเห็นแต่ประโยชน์โลกนี้เขาไม่ได้มองไปถึงโลกหน้าเขาไม่เคยคิดเลยว่านี่คือจะต้องตายไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าต้องจากนะไม่เคยคิดว่ามันจะต้องตายหรือว่า เออถ้าจะคิดตายก็สยดสยองไปทำนองว่าต้องจากจากทรัพย์สินจากคนอะไรนะครูมรรโฉมันเป็นอะไรนะเป็นอัปมงคลใช่ไหมมันเป็นรางเป็นรางถ้าจะต้องพูดเรื่องนี้นะมันเป็นรางที่ไม่ดีอย่าพูดเนี่ยนะอย่าพูดพูดเรื่องตายไม่ได้เราไปทำมาหากินเนี่ยพูดเรื่องตายไม่ได้มันเป็นรางที่ไม่ดีเนี่ยนะพูดไม่ได้ว่าเราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากเรา น, นะนะเขาจะเป็นไปตามปากเราเพิ่นอย่าไปพูดมันอย่าไปคิดมันคิดแล้วมันจะเป็นรางที่ไม่ดีไปทานอานหารมังสวิรัติแล้วหืมที่นั่นนะครับพวกโคษนาโอ้มันสารเอ่อาหารมังสวิรัตเนี่ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สุขภาพมันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้โหจะเพ่งแรงไปในเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่ชีวิตจริงๆอเมรุงมหาพูดอยู่ตลอดนะ แจะจะปิญญจะจ ะ, จ ะ, จะไม่เคยพูดถึงเลยว่าไอ่ไอ้าถ้ามีชีวิตดีอย่างนั้นแล้วจะจะจะไปทําอะไรต่ออะไรไม่ไม่มีอ้าวก็มีชีวิตอยู่จะได้ไปไ ป, ไปหาอาหารนั่นแหละมาเลี้ยงมันต่อไปใชชีวิตมีอยู่เพื่อจะสแสวงหาอาหารที่จะเลี้ยงสุขภาพต่อไปนี่แหละงั้นผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยนะ ท, ที่ที่ไม่ได้ฟังธรรมของพระอรหันต์เนี่ยที่ไม่ได้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ถ้าไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะที่จะคิดเองคนที่จะเห็นภายในสิ่งเหล่านี้คือผู้มีอุปนิสัยเก่าอย่างหนึ่งถ้าจะคิดเองได้ก็คือพวกนี้ก็ต้องสั่งสมมามากเลยนะ ท, ที่จะเห็นภายฉนั้นปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยนะที่ ท, ที่พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าเป็นรั์ไม่ซั์ภายนอกนะเช่นมหาพูดทั้งหลายเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นอัพยากตะธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นของสาธารณะใช่ไหมต้นไม้เนี่ยนะ อต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินบ้านช่องห้องหอทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งๆั้ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นเป็นอัพยากตะถามว่าเป็นสาธารณะของคนทุกคนไหมไม่เป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยเนี่ยนะคนที่มีที่ดินเป็นส่วนตัวกับไม่มีไหนมากกว่ากันกนั่นนะที่เรียวกว่าเป็นของเราอะน ะ, เ ป, น เ, ะนะเป็นของเราพูดได้เต็มปากเต็มคํากับไม่ได้เป็นของเราอ่ะนะ เข้าไปหือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปฝ า, ฝากฝากตัวอยู่เฉยๆเนี่ยนะอันไหนจะมากกว่ากันกลุ่มที่ไม่มีมากกว่าทั้งๆที่แผ่นดินนี่คืออพิยกะตะใช่หัหยน้ำก็คืออพิยกตะใครที่ได้ใช้น้ำอย่างสบายๆเนี่ยนะพวกพวกอพิยกตะที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะแล้วถ้าเป็นปัญญาล่ะเพราะอาการที่จะเห็นพวกขันไม่เป็นสาระทรัพย์สิ่งเหล่านี้เป็นต้นไม่มีสาระเนี่ยอันนี้ต้องอาศัยปัญญา ปัญญาเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเป็นซับเนี่ยนะเป็นอริยรับภายในแล้วเป็นกุศลด้ว ย, ยเนี่ยนะพันจะถามว่าจะเกิดยากขนาดไหนถ้าเทียบกับข้างนอกนะรับภายนอกเนะี่ยซับคือปัญญานี่หายากกว่านั่นนะชีวิตชาวโลกโลกนะฮะถ้าเขาประสบความสําเร็จนะฮ ะ, ะในฐานะนะเขาเอาละมาถึงบ้านปลายเขามีฐานะแล้วเนี่ยนะฮะสูงสุดที่เขาที่เขาตั้งไว้คือว่า ถ้าเขามีฐานะเนี่ยเขาจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะเขาถือว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นความสําเร็จจุดยอดอย่างหนึ่งของชีวิตนะและถ้าไปได้ทั้งครอบครัวนะจะถือว่าโอ้แหมอย่างนี้เยี่ยมยอดนะเพราะไม่ใช่ไปง่ายใช่ไหมเราใช้จา่ายกันเยอะใช่ไหมแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วครับโดยมากจะตั้งเป้าหมายอย่างนี้ครับเออมันปลดกเกษียณแล้วนะโอ้มีหมดภาระแล้วนะจะได้รวบรวมเงินทองไว้ได้ก่อนหนึ่งแล้วนะโอ้ไปเที่ยว อออืืมีความสุขมากเลยบางคนก็นไปเที่ยวต่างหลายครั้งหลายเงีนะฮะแล้วจะตั้งเป้าหมายไอย่างงั้นนะส่วนใหญ่นะแล้วในสุดบางคนไปตายที่ต่างประเทศเพราะเที่ยว เ, เนี่ยนะครับมีคนเจ้านายข่าวผมนี่แหละก็ไปตายที่ต่างประเทศนะนะครับนะนั่นคือสาระชีว <Jimmy. S 2> ิตของเขาอออะืก็เหมือนกับที่ครูมณชูเล่าว่าฝรั่งเนี่ยไหมาเทกระจาดอยู่แถวๆเนี้ ในถ้านอนอยังไงนะยิ่งชาวต่างประเทศนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะไอ้เรื่องนี้นะจะเป็นเรื่องของของพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะ่ะพูดถึงว่าจะมาเห็นโทษเห็นภัยของของของโลกนี่นะของชีวิตนี่นะไม่มีเขาเลยครับเว่าที่เขาจะอย่างนี้นี่นะเขาไม่ห่วงว่าไอ้ความแก่มันเป็นยังไงเป็นทุกยังไงก็ไม่เคยเขาอย่างนี้หัวเลยว่าจะคิดแก้ไขมีทางออกอยังไง ไม่มีเลยครับกับป ก, กกระเพกสองคนผัวเมียไปเรื่อยเลยนะ่ะแกเท่าไงก็ไปจริงโดยหลักวิชาของเขาที่จเจริญในวัตถุขนาดนี้น่าจะเห็นเลยไปกว่านั้นนะแต่แต่ก็นนะกลับไม่ใช่อะ่ะเป็นคนฉลาดเนอะเป็นคนฉลาดเปคนรอบ้อเป็นคน ร, นคนรมะมัดระวังมาก<อ>ไม่เห็นเขาไม่รู้นะว่าโลกเราเนี่ยมันไม่มีสาระ แต่การที่เราจะรู้ว่าโลกเหล่า <Que> น so, ouais um. well, we ี้ไม่มีสาระเนี่ยก็คือต่อเมื่อมองเลยไปอีกเช่นว่าเราจะเห็นว่าที่ใดไม่มีสาระอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าเราต้องจากสิ่งนี้เนี่ยนะเมื่อเราว่าเราต้องจากสิ่งนี้แน่นอนเนี่ยนะมณสิกานว่าต้องจากซึ่งเป็นความจริงด้วยเนี่ยการมณสิกานว่าต้องจากเนี่ยจึงจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่เป็นสาระสักเท่าไหร่เพราะั้นการที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสาระเนี่ยใช่ปัญญาจริงๆ นันพื้นฐานกรรมมศกตาต้องดีถ้าไม่มีกรรมสกตาเนี่ยถ้ายิ่งกลมฝรั่งส่วนหนึ่งก็ถือว่าตายชาติเดียวใช่ไหมเกิดตายชาติเดียวมันชีวิตมีอยู่แค่ชาติเดียวมันจะต้องเรีบเนี่ยภาษายตนาห้าเนี่ยนะปัญจายตนะเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะต้องไปเที่ยวส่องเสพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าที่จะมีตามาเห็นแบบนี้จะไม่มีอีกแล้ว มีหูมาฟังมีจมูกมารู้จะได้กินแบบนี้มีรับกระทบแบบนี้พบอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วเนี่ยท่า น, นเขาพื้นฐานเขาเป็นอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิ